สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุรอดอคลื่น747ภาค AM เริ่มตั้งแต่เวลา 8.10 นาิกนาทีถึง 8.35 นาิกนาทีวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะและทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนา FM 88.75 วัดดวงแขเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 19.30 กถึง20นาิกาทุกวันดำเนินรายการโดยเพนสีอินทรัตวันนี้ขอนำเสนอท่านด้วยธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารแจกนักเขียนกุลสตรีนามปากกาสุทธสาอ่อนคอมท่านที่สนใจต้องการนำซีดีชุดนี้ไปฟังทบทวนโปรดติดต่อได้ที่ นหังือธรรมสภา02 441 1535หรือที่คุณน้ําทิบภูธนชัย081 828 8298 086 534 8273และที่ดิชันเพ็นศีอินทรทัศ081 919 7268 081 919 7268ได้ทุกวันค่ะโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟัง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 ซึ่งในเรื่องคือพระครูเจริญติตะธรรมเหตุการณ์ในเรื่องความหลงในสงสารเป็นช่วงที่พระเดศพระคุณสมัยที่ยังเป็นพระครูภาวนาวิสุทธ์ได้พบกับหลวงพ่อในป่าและพระภิกษุสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งพระคุณท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าและนักศึกษาที่ข้าพเจ้าพาไปเข้ากรรมฐานที่วัดอมภวันฟังเมื่อยีสิปีก่อนเมื่อพระคุณท่านเล่าจบได้กำชับข้าพเจ้าว่า อย่านาไปเล่าให้ใครฟังข้าพเจ้าก็รับปากหากก็คิดในใจว่าไม่เล่าเจ้าค่ะแต่จะนำไปเขียนจนรอเวลาที่จะเขียนซึ่งมาได้โอกาสเมื่อเรื่องวัตจักรชีวิตจบลงความจริงเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผนวดเป็นพระภิกษุเป็นที่ทราบในหมู่พระอริยเจ้าหลายองค์เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุธ หลวงพ่องโนและหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งพระพเจ้าเคยไปกราบนมัส ก, การมาแล้วทุกองค์ขณะเขียนเรื่องความหลงในสงสารพระอริยเจ้าทั้งสี่องค์ทละสังขารแล้วน่าแปลกที่ว่าก่อนจะเขียนได้มีกาลยานามิตรที่เป็นลูกศิษย์บ้างท่านผู้อ่านบ้างมิตรสหายบ้างมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเฉพาะอาจารย์อุทุมพรมูลพรมได้ถ่ายเอกสารหนังสือของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำวั่าสุ่ง ม, มาให้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเขียนมากบทสนทนาระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระเจ้าพญามาหากริยัศึกข้าพระเจ้าก็คัดลอกมาจากหนังสือเล่มนี้ลูกชายของข้าพระเจ้าพูดขึ้นในวันหนึ่งว่าแม่ ไม่กลัวนักประวัติศาสตร์ลุกขึ้นมาขึ้นประท้วงหรือที่ไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์เขาข้าพเจ้าบอกลูกข้าพเจ้าว่าเขียนจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เขียนในรูปของนิยายคงไม่มีใครมาประท้วงหรือหากมีก็คงต้องบอกว่าอย่ามาเอานิยายอะไรกับข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเพิ่งเข้าใจว่า เหตุใดพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงให้เขียนเป็นนิยายแทนที่จะเขียนเป็นหนังสือหรือว่าตำราเมื่อความหลงในสงสารตีพิมพ์ในกุลสตรีไปได้ประมาณ46บทมีท่านผู้อ่านโทรศัพท์มาเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2547บอกว่าให้ช่วยมารับเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแสนบาทเพื่อนำไปพิมพ์รวมเล่มและถวายตามวัดต่าง ข้าพเจ้าปฏิเสธไปว่าไม่มีเวลางานยุ่งมากขอให้เก็บเงินไว้ก่อนอีกตั้งสองปีจึงจะพิมพ์รวมเล่มได้สาเหตุที่สุภาพสตรีท่านนั้นประสงค์จะให้ข้าพเจ้าพิมพ์ถวายวัดคือดิฉันรักสมเด็จพระเจ้าตากศิลรักหลวงพ่อในป่ารักหลวงพ่อจารันอ่านแล้วถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึง้งข้าพเจ้าสารภาพว่า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 ข้าพเจ้าต้องนัดพบผู้อ่านท่านนั้นและได้ไปรับเงินหนึ่งแสนบาทจากท่านมาใส่บัญชีไว้ขออนุโมทนาบุญกับคุณอรัญญาองค์วิเศษที่มีกุศ ล, ลจิตจะช่วยเผยแผ่พระาศาสนาและเมื่อรวมเล่มข้าพเจ้าก็ร่วมบริจาคสมทบอีกห้า0มืนบาทเพื่อถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบเป็นธรรมบรญการแด่สิษยานุสิต ที่มาเข้าโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานระหว่างวันที่4ถึง10สิงหาคมพุทธศักราช2549เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหาบุราจารพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จาริกไปนมัสการสังเวชนิยสถานณประเทศอินเดียในปีพุทธศักราช2528และกลับมาเล่าว่า โยมคนหนึ่งได้ดวงตาเห็นธทรรมขณะสวดพระธรรมจักรกับประวัตินาสูตรที่ทำเมฆคาสตูปเจดีแต่ท่านไม่ได้บอกชื่อโยมท่านนั้นข้าพเจ้าจึงสรุปเอาเองว่าต้องเป็นโยมเสงย์ใจบุญซึ่งภรรยาของท่านคือโยมผ่องสีใจบุญแต่ในเรื่องข้าพเจ้าเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นโยมผ่องสใจบุญชื่อพระภิกุหนุมสามรูปเป็นชื่อสมมติและไม่มีตัวตน ส่วนหลวงพ่อวัดดอนเมืองข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านมาก่อนเพิ่งมารู้จักตอนนิยายเรื่องนี้ใกล้จะจบพระเจริญซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ปัจจุบันคือพระอาจารย์ดรจารันทิตะธรรมโมซึ่งชื่อและฉายาเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อส่วนแม่ชีปวนนายไกยรูและนายทุกโขมีตัวตนจริงส่วนสองพ่อลูกเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว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 พระอินเดียก็เล่นกนให้ดูจริงข้าพเจ้าเคยไปพักที่วัดสมัยที่เรียนอยู่อินเดียระหว่างปีพุทธศักราช 2,533 ถึง 2,535 แต่จำชื่อวัดไม่ได้เสิแล้วจึงต้องเขียนโดยเปลี่ยนชื่อเมืองที่พักวันอยู่ให้ผิดไปจากความจริงบรรดาผู้นับถือพักวัน ซึ่งในจำนวนนี้มีเพื่อนของข้าพเจ้าหลายคนจะได้ไม่อคาดโกรธเกองข้าพเจ้าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในงานเขียนชิ้นนี้คือได้ทำให้ประวัติศาสตร์กรุงทนบุรีที่ดูลึกกลับมากกว่า200ปีโปร่งใสขึ้นคนไทยจะได้รู้ความจริงว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงทนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่บูรพพระมหากษัตริย์และบรรพระบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกปักรักษาไว้ให้ขอคนไทยจงอยู่อย่างรู้คุณแผ่นดินด้วยเทินสุทศาอ่อนค้อม19กรกฎาคมพุทธศักราช2549